พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดท่างกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องมัก พวกญาติโยมอยู่ในบ้านในเมืองในพระนครธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณเจ้าคุณก็ฟังหมดแล้วบาปก็รู้บุญก็รู้คุณโทษก็รู้หมดแล้วแล้วจะฟังไหนอีกอาตมาอยู่ป่าดงมวแต่นั่งหลับหูหลับตาให้มแมลงวันตอมหนะักจะมีความรู้วิชาความรู้อันอย่างมาเทศจักจะเอาอะไรมาเทศให้ฟังอยู่ป่าอยู่ดงพวกญาติโยมทั้งหลายมา มีพระเดชพระคุณเป็นหัวหน้ามาอุตส่ามาไกลแสนไกลก็อุตส่ามาเป็นบุญญลาภของพวกกระผมและพวกญาติโยมฟังเทศก็ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วขั้นต่ําก็ได้ฟังขั้นสูงก็ได้ทุกขาศาสตร์ก็ได้ฟังแล้วแล้วจะเอาอันไหนฟังอีกธรรมะก็แม่นก้อนธรรมหมดทั้งก้อนนี่แหละธรรมเป็นอกุศลธรรมก็มีกุศลธรรมก็มี อันนี้พวกท่านทั้งหลายในบ้านในเมืองก็ได้ฟังอยู่บ่อยๆก็เป็นคนที่รักษาคุณงามความดีส่วนบาปกรรมนั่นก็พากาัน ร, รู้แล้วรู้แล้วก็มีความรังเกียจไม่อยากเกี่ยวข้องมีแต่จะขับไล่มันออกไปกุศลธรรมก็แม่นใจนั่นแหละใจเป็นกุศลขึ้นอกุศลธรรมก็แม่นใจนั่นแหละทาไม่ต้องไปหาที่อื่นแม่นหมดทั้งก้อนนี่แหละ พระพุทธเจ้าว่าก้อนทำหมดทั้งก้อนแล้วแต่ว่าเป็นของกลางไม่ใช่ของใครอัตภาพเป็นของกลางแล้วมารู้จักว่านี่เป็นของกลางไม่ใช่ของใครทั้งหมดก้อนใครก้อนเราเป็นของได้มาอันบริสุทธิ์เกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์พ้นจากใบ บ, บ้าบอดหนวกเสียจริต มีร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็ควรพากันพิจารณาว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้สมบัติอันสมบูรณ์แล้วเราต้องเอามันทำประโยชน์เสียเอากำมันเสียอย่าปล่อยให้มันแก่ขึ้นตายขึ้นซื่อสมบัติอันนี้เป็นแต่ภายนอกเอามันทำเสียเอาทรัพย์ภายในเอาอริยทรัพย์ทรัพย์อันติดตามตนไปได้ ทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาอยู่แต่ชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นอีอย่างก็ตามเป็นของกลางหมดเป็นทรัพย์ภายนอกที่เราได้อาศัยมันชั่วชีวิตนี้เท่านั้นครั้นขาดลมหายใจแล้วสมบัตินี้ก็เป็นสมบัติของโลกอัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติของโลกมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟและผู้ที่ไปนั่น คือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดคือดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณนี่แหละที่ท่องเที่ยวอยู่เกิดอยู่บ่อยๆนั่นแหละสังสารตาภวาพาเวสังสาเรสังสารโตโสสังสาเรทุกขโตโหติพวกเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่ใช่เราเกิดมาชาติเดียวเท่านี้ นับพบนับชาติที่เราท่องเที่ยวอยู่ต่ตางต ส, สูงสูงจนเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสารพัดมันเป็นเราไปสวรรค์ก็ได้ขึ้นไปเราไปพรหโมโลกก็ได้ขึ้นไปลงไปนรกก็นับกลับนับกันไม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรประพฤติแต่กรรมอันดีเมื่อพวกเรารู้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าว่าจะดีก็ดีจะชั่วก็ดีเป็นเพราะกรรมดอก เกิดมาต่างๆกันไม่เหมือนกันสมมุติว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ต่างพันกันวิชาความรู้ก็ต่างกันสมบัติก็ต่างกันรูปร่างก็ต่างกันความยากจนข้นแค้นความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ต่างกันอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกรรมแม่นหมดทั้งก้อนก้อนทำสิ่งที่เป็นใหญ่นั้นในตัวเขาพระพุทธเจ้าว่า มโนปุกพังขมาธรรมมามโนเศษฐามโนมายามีใจนั่นแหละเป็นใหญ่มีใจนั่นแหละเป็นหัวหน้ามีใจนั่นแหละประเสริฐสุดสิ่งทั้งหลายบาปก็ดีบุญก็ดีสำเร็จได้ด้วยใจมโนเรียกว่าใจครั้นใจไม่ดีมาน่าสาเจปทุตเถนะใจไม่ดีใจขุนมัวใจเศร้าหมอง รู้อำนาจความโลภความโกรธความหลงใจเหล่านั้นแม้บุคคลจะพูดอยู่ก็ตามจะทำการงานอยู่ด้วยกายอยู่ก็ตามเพราะจิตเศร้าหมองจิตไม่ดีแล้วความทุกข์นั้นย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไปเหมือนกันกับล้ออันตามรอยเท้าโคไปมานาสาเจประสานเนนะ ครั้นจิตผ่องใสผุดผ่องไม่เศร้าหมองแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามจะทำการงานอยู่ก็ตามจะไปที่ไหนก็ตามความสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาเทียมตนไปอย่างนั้นครั้นรู้ว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ดีก็ต้องมีใจเป็นผู้คิดให้ทาทำชั่วก็มีใจเป็นผู้คิดให้ทําเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราจึงเอาแต่ส่วนดีส่วนไม่ดีมีราคาโทสะโมหะนั่นตัดมันออกไปไล่มันออกไปอย่าให้มันไปยึดไปถืออย่าให้มันไปเป็นเจ้าเรือนแล้วแม้จะทำอะไรก็ดีจะพูดก็ดีจะคิดก็ดีขอให้มีสติอยู่ประจำครั้นมีสติแล้วพูดก็ไม่พลาดทําอยู่ก็ไม่พลาดคิดก็ไม่พลาดให้พา ก, กันาหัดทําสติ ให้สำเนียกให้แม่นยำพระพุทธเจ้าจึงว่าเยเกจิกุสลาธรรมาสเพเตอปมาทะมูลกาอปมาทะสโมสรนาอปมาโทครั้นมีสติแล้วกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นก็มีแต่ทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างรู้อย่างนี้แล้วให้พากันหัดทำสติมันผิดก็ให้รู้ เราจะพูดให้ะระลึกได้เสียก่อนเราจะทำด้วยกายก็ให้ะระลึกได้เสียก่อนจะคิดก็ให้ะระลึกได้เสียก่อนมันถูกเราจึงทำมันถูกเราจึงพูดมันคิดไม่ผิดเป็นศีลเป็นธรรมเราจึงะระลึกจึงนึกให้ทำสติสำเนียกให้แม่นยำหัดทำสติให้ดีแล้วก็ให้สมาทานเอาศีลของเรา เอาอาธิศีลสิกขาสมาทานให้พากันสมาทานเอาศีลของเราเอาศีลของเราให้เป็นอธิศีลที่เป็นใหญ่เป็นอธิบดีให้เป็นศีลมั่นคงอย่าให้เป็นศีลที่ง่อนแงนคลอนแคลนอธิจิตตะสิกขาสมาทานีให้พากันสมาทานเอามีสติตั้งใจควบคุมจิตใจของตนไวให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นจะทำการทางาน พูดจะอะไรก็ตามให้มีสติจิตตั้งมั่นหรือนั่งภาวนาก็ให้จิตตั้งมั่นเป็นอธิบดีอธิเรียกว่าเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงเรียกว่าไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงอธิปัญญาสิกขาสมาทานีให้สมาทานเอาอธิปัญญาความจริงรอบค้อบรู้เท่าสังขารปัญญาความรู้เห็นเห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์แม้นทุกข์เกิดขึ้นในกาย ความไม่ดีเกิดขึ้นในกายเวทนาไม่ดีเป็นทุกข์เกิดขึ้นแก่สัมผัสทางกายอันนี้เรียกว่าความทุกข์กายให้มันรู้ความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจความไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจเวทนาไม่ดีเกิดขึ้นจากสัมผัสที่ใจอันนั้นได้ชื่อว่าความโกรธความเศร้าใจความเสียใจให้กําหนดรู้ให้มันเป็นเรื่องทุกข์เสีย พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางไปพระนิพพานทางดับทุกข์ความประจวบ ก, กับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักที่จเจริญใจมีความไปร่วมมีความมาร่วมมีความประพฤติร่วมมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจอัปิเยหิสัมปโยโคโทุกโโหทุกหน่าเกลียดหน้าชังทุกไม่พอใจความพลัดพราดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักที่จเจริญ มีญาติพี่น้องไปทางไกลหรือพลัดพรากไปไกลหรือล้มหายตายเสียจากกันก็มีความทุกข์เกิดเรียกว่าปีเยหิวิปโยโคโทุกโขความไม่ไปร่วมความไม่ประชุมร่วมกับสิ่งที่ชอบใจอันนี้ก็เป็นทุกข์บุคคลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนี้มันมาจากไหน เราได้รับผลอยู่เดี๋ยวนี้มันมาจากไหนต้องใช้สติปัญญาค้นคว้ามันก็จะเห็นกันเมื่อทำจิตให้สงบมันก็จะเห็นกันคือความอยากมันเกิดมาจากความอยากเรียกว่ากามาตัณหาความใคร่ความพอใจในรูปในสิ่งที่มีวิญญาณความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความอยากความใคร่ภาวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากมี อยากกอบโกยเอาอยากได้มาเป็นของตัวอยากเป็นเศรษฐีขหาบดีอยากเป็นราชามหากริย์เรียกว่าภาวะความอยากเป็นอยากมีความไม่พอใจเหมือนอย่างความแก่ง่อมแห่งชีวิตความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตความมีหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียวผมงอกฟันหักอันนี้ไม่พอใจเสียใจอยากให้มันเป็นหนุ่มตึงอยู่เหมือนเก่า ผมงอกมันก็ไปเอายาดำๆมาย้อมแล้วมันก็ป่งขึ้นอีกมันก็ขายหน้าละมันก็ดำอยู่ปลายนั่นโ ค, คนมันก็ขาวมันก็ขายหน้าอีกแล้วก็ไม่พอใจนี่เรียกว่าวิภาวะตัณหาตัณหาสามอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อรู้เท่ามันสามอย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกแล้วก็ใช้ปัญญาค้นหา มันเกิดจากไหนตัญหามันเกิดอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าว่าจักขุโลเกปิยรูปังสาตรูปังสิ่งใดเป็นที่รักสนิทใจในโลกอะไรเป็นที่รักสนิทใจในโลกคือจักขุงตาและอื่นอื่นอีกมากมายสนิทใจในโลกตันหาจะเกิดขึ้นที่ตาตัญหาจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ตาเกิดที่หู ตั้งอยู่ที่หูเกิดขึ้นที่จมูกตั้งอยู่ที่จมูกเกิดขึ้นที่ลิ้นตั้งอยู่ที่ลิ้นกายสัมผัสอ่อนนุ่มมีความชอบใจกำนัดพอใจอารมณ์อดีตล่วงมาแล้วอนาคตยังไม่มาถึงเอามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจรู้จักว่ามันเกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกัน แล้วไปเกิดวิญญาณความรู้ขึ้นจากสัมผัสเวทนาเกิดขึ้นเรื่อยๆไปเรารู้แล้วอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันเกิดสัมผัสเราเพียรดับมันเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสเมื่อรู้แล้วเราควรละควรปล่อยวางจึงว่าดับทุกข์อยู่นี่อยู่ในนิโรธดับตัณหาทั้งสามได้นั่นคือนิโรธ นิโรธคือความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงความไม่หวั่นไหวเรียกว่านิพานพระพุทธเจ้านิพานไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่กับอาการสาสองผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับท่าสี่เราฟังแล้วให้พากันตั้งใจทาเหมือน ก, นกันกับเครื่องทับสัมภาระเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนมีดเราจะใช้ทาการงาน รับดีแล้วเอามาวางไว้ทับสัมภาระเอามาวางไว้แล้วไม่ทำมีของจะทําครบหมดแล้วแต่เราไม่ทําจะปลูกเรือนก็ไม่ปลูกเอามากองอยู่อย่างนั้นก็ชมรู้สุดโสมไม่มีประโยชน์จะอาศัยทรรมต้องอดทนิริยาบทยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามนิสัยจริตของเราถูกกับอะไรถูกกับพุทโธหรือธรรโม หรือสังโครหรือถูกกับผมขนเล็บฟันหนังเอาเข้าอย่างหนึ่งถ้ามันถูกจริตมันจะสงบจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตเบิกบานแยบยนร่าเริงอันนี้ก็หมายความว่ามันถูกกับจริตก็เอาอย่างนั้นบริกรรมพุทธโธพุทธโธเรียกว่าสมถะครั้นมันไม่ถูกไม่ลงต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง นันพิจารณาให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกพิจารณาให้มันเห็นศพอยู่ในใจเราปันจุปาทานขันธาอนิจจาขันห้าเป็นของไม่เที่ยงปันจุปาทานขันธาอนัตตาของอันนี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนนี่หละรวมกัน คือถ้ามันไม่สงบย่างฟุ้งซ่านก็ต้องเอาปัญญาค้นคว้าพิจารณาให้มันเห็นเห็นของโสโครกไม่สวยไม่งามพิจารณาไปจิตมันก็เห็นมันก็เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่คืออั ต, ตภาพเบื่อหน่ายมันก็เกิดความคลายกำหนัดไม่ยึดขันอันนี้ว่าตัวว่าตนจิตลงไปถึงที่มันมันไม่ไปไหนแล้วมันเป็นอธิจิต มันจะเกิดแสงสว่างโรคขึ้นดวงปัญญามันก็จะพุ่งขึ้นการภาวนาอบรมจิตให้มันอยู่นี่เพื่อต้องการจะเอาปัญญานั่นแหละมันต้องเกิดขึ้นมันจึงจะรู้เท่าความเป็นจริงมันจะเห็นทุกขสัดส์เหตุเกิดทุกข์ทางที่จะดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์ทางมันราบรื่นสบายพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วอัดถังคิโกรมโคเศโธ มักแปเป็นทางอันประเสริฐพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเร่งทำเอาให้เกิดให้มีทำแล้วจะได้รับความสุข ก, กายสบายใจไม่มีความเดือดร้อนใจความโศกความเศร้าก็ไม่มีเพราะรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้วเรื่องโลกเรื่องสังขารบ้านเมืองเกิดวุ่นวายฆ่าตีกันเราไม่วุ่นวายฆ่าตีกับเขาเขาด่าเราก็ไม่ด่าเขา บ้านเมืองเขาร้องเขาให้เราก็ไม่ร้องไห้อย่างเขา